ข้อความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังเทงลาไรแต่ลมประพติยานดาเนินเรื่องมาถึงช่วงที่พู้เจ้าเสด็จประทับสวยมุติสุขจูภายใต้ต้นจิกชื่อวมุติจลินเราก็ประดีฝนนอกระดูก็ตกอย่างแรงพร้อมด้วยลมหนาวพญานาคชื่อวมุติจลินได้ ขึ้นมาและองค์ขอนดของตัวเองวงรอบพุทธสริระดูความตั้งใจว่าความหนาวความร้อนอย่าเบียดเบียนพระผู้มีพระภาคสัมผัสแ่งเหลือบจุงลมแดดและสัตว์เ้วยครานอย่าเบียดเบียนพระผู้มีพระภาคปวดหนหายท้องฟ้าโปร่งสายแล้วพญานาคก็คลายขนด แล้วก็แปลงตัวเป็นมนุษย์มายืนถวายบังคมพระผู้มีพระภาคจ้างโจ่คือตลอดระยะเวลานั้นระลองสังเกตว่าไม่มีการสนทนาอะไรกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับนาคขมโนบหรือประยามุจจรินหรือตามหลักฐานที่ปรากฏในวรรณคดีทางพระพุทธศาสนานั้น ก็แสดงว่าเมื่อเขาเปลี่ยนเพศเป็นมนุษย์เนี่ยพูดจากันได้ติดต่อสื่อสารกันได้แล้วสำหรับพระพุทธเจ้าที่จริงก็ไม่ได้แปลกอะไรนะคือทรงรู้ภาษาสัตว์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าพู้เจ้าทรงเปล่งพระพุทธอุทานซึ่งมีข้อความเป็นการสะท้อนโลกสรุปโลกให้ดู โลกกว่าจะมีปัญหามากมันก็มีมา ก, ก น, นะนะแต่ถ้าเราสาวไปถึงที่มาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มากก็อาจะกลับไปสู่สมุดไทยก็คือตัววิชาอย่างที่เคยแสดงเอาไว้ในตอนต้นๆรับสังว่าความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้สันโดษมีธรรมปรากฏแล้วเห็นอยู่ ความไม่พยาบาทคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความปราศจากกำหนัดคือความล่วงกลามทั้งหลายเสด้เป็นสุขในโลกการกาจัดอสมิมาณะเส็ได้นั่นแหละเป็นสุขอย่างยิ่งซ่งวนเราจะเห็นว่ามีฐานะเป็นเหตุแล้วก็เป็นอาการแล้วก็เป็นผลด้วยเป็นการสะท้อนจากภาพของโลก แต่นในขณะเดียวกันคือด้านที่มันดับมันก็สะท้อนมาจากพระไถยของพระพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายประเด็นแรกคือเรื่องของความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้สันโดษความสงัดความสงบปิติอะไรเหล่านี้เป็นเป็นพวกเดียวกันเราอาจจะสรุปรมรวมว่าสุขสงบเย็น แต่ความสงดจึงเป็นอาการซึ่งซึ่งมันก็มีฐานะเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุแล้วถ้าเราไปมองในโครงสร้างของกิเลสกรรมวิบากไปจะเห็นนะว่าตัวความสงดก็ดีสุขก็ดีสงบก็ ด, กดีนั้นเป็นผลแต่ว่าเป็นผลที่เกิดมาจากธรรมะในที่นี้ก็คือผู้สันโด คำว่าสันโดษหรือว่าผู้สันโดษก็ตามในสังคมไทยเรานั้นที่จริงเข้าใจไม่ค่อยตรงกับประเด็นนะเรามักจะมองในแนวของวิเวกหรือปะวิเวกการดลีกเล่นเข้าไปหาความสงบอยู่โดยลำพังว่าเป็นผู้สันโดษ แต่จริงตอนนั้นมันเป็นการเน้นไปที่แสวงหาความสงบเพราะว่าเมื่อกล่าวโดยองค์ทำแล้วเนี่ยคือทั้งสองข้อเนี่ยเป็นหลักอัดสินพระธมวินัยเหมือนกันทำใดเป็นไปเพื่อความสันโดษไม่เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษนั่นเป็นธรรมนั่นเป็นวินยัยนั่นเป็นคําสอนของพระศาสดา แต่ในขณะเดียวกันทำใดที่เป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่ไม่เป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่นั่นคือธรรมนั่นคือวินยัยนั่นคือคำสอนของระษาสดาเพียงแต่ว่าสันโดษนั้นเป็นคำสอนสาธารณะทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายแต่ว่าแนวของ ความปรารถนาน้อยก็ดีหรือความสงัดจากหมู่ก็ดีนั้นจะเน้นไปที่พวกนักบวชคือเป็นคำสอนเป็นเล่นกลุ่มเป้าหมายของนักบวชแล้วความสัโดดบางทีเนี่ยก็ไม่ดีนะฮะไม่ใช่ดีเสมอไปเช่นระหว่างสมณะกับกษัตริย์เนี่ยท่านแสดงว่ากษัตริย์สันโดษไม่ดีแตส่สมณะไม่สันโดษ ไม่ดีก็มาความว่าองค์ทมอันเดียวกันนั่นเองแต่สถานะของบุคคลไม่เหมือนกันทางกาแสดงให้เห็นว่ามันมันไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะปฏิบัติได้ซึ่งมันถ้าหากว่ากษัตริย์ท่านไปเกิดสันโดษคือยินดีตามมีตามได้ไม่มีการสร้างสารรค์ไม่มีการพัฒนาอะไร อนนาณาปชาราษฎร์ก็อยู่ในบ้านในเมืองนั้นไม่ได้เพราะว่าไม่มีอะไรจะกินจะอยู่นะฮะบ้านเมืองมันจะต้องมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองแล้วก็ขึ้นไปในด้านต่างๆดังนั้นก็ได้แสดงเอาไว้ถึงความแตกต่างในตัวของบุคคลนะให้ลองสังเกตว่าแตกต่างในตัวบุคคลว่ากษัตริย์สันโดษไม่ดีแล้วก็ ภิกษุนั้นไม่สันโดษไม่ดีแต่ทีนี้ก็ไม่ได้เน้นทั้งหมดเพราะในความเป็นสันโดษเนี่ยในกล่าวถึงองค์ธรรมโดยเ็นว่าสันโดษก็เป็นสมาชีวะคือการเลี้ยงชีพในทางพิจารณ์แตเวลาทรงอธิบายนั้นส่วนมากแล้วเราพบขยายโดยพิจาราเนี่ยไปขยายที่ประสงค์เลยก็เน้นไปที่ปัจจัยสี่ แต่ถ้าเรามองกรอบเนื้อหาของสมาชีวะพระเนื้อหาสาระของสมาชีวะประการสำคัญที่สุดก็คือเคารพสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นไม่ล่วงละเมิดสามารถจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีอะไรก็ได้ก็ไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าอยู่ในกรอบของความถูกต้องตามกฎหมายและวก็ศีลธรรม ทีนี้ถ้าเราอยู่ในศีลในทมแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดกฎหมายแล้วมันถูกเองเพราะว่าศีลทมน้ำยืนเหนือนกฎหมายแล้วสันโดษจึงมีการได้รับการทุ่งติง่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ตอนนั้นอานมาก็บวชเป็นพระได้สองสามพรรษาเน่จนมีคำเตือนออกไปว่าไม่ให้พระนั้นสอนเรื่องสันโดษ พอตอนนั้นจะเน้นที่การพัฒนาพอสันโดษเป็นอุปสรรคของการพัฒนาคนก็รังเกียจธรรมะ ก, กันเป็นการใดญ่เลยมาก็ไปที่ไหนก็เทศเรื่องสันโดษเรื่อยอยู่พยายามที่จอธิบายชี้แจงให้โยมเข้าใจว่ากรอบของคําว่าสันโดษเนี่ยถ้าเราพูดใยภาษาวิชาการปัจจุบันแล้วจะชัดเจนมันมีเรื่องการผิด แล้วก็การได้รับผลของการผลิดแล้วการบริโภคเศรษฐทรัพย์เหล่านั้นแต่ละข้อเนี่ยมันก็เน้นที่เรื่องสันโดษก่อนในแง่องค์ธรรมก็เป็นสมาจิวะดังกล่าวก็เราเอาเฉพาะโครงสร้างระดับศีลธรรมจันญาต่ก่อนนะเพราะในระดับโครงสร้างก็ศีลธรรมจันญาเนี่ยสันโดษข้อแรกก็คือยถา พลัดสันโดษคือยินดีต่ำกำลังกำลังอะไรล่ะกำลังทรัพย์กำลังคนกำลังความรู้กำลังความคิดกำลังความสามารถกำลังงานต่างๆเนี่ยกรอมัญญูที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดสินธรรมเท่านั้นเองคุณจะรวยยังไงก็ได้เพราะว่าแนวของพระพุทธศาสนานั้นส่งเสริมสนับส น, นุนให้มนุษย์นี่ใช้ศักยภาพตัวเองเต็มที่แล้วค่อยว่ากันทีหลังอีกรอบนึ่ง เราลองสังเกตว่าเศรษฐีจำนวนมหาศาลที่มาช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมในยุคพุทธกาลเนี่ยอย่างจุลานาธินธิกาศเศรษฐีตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกตอนแสดงยมกปฏิหารในเทวโรนะเนี่ยคนสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ท่านรับเลี้ยงท่านได้ทั้งหมดนั้นก็แสดงถึงสถานะที่มั่งคั่งร่ำรวยมหาศาลมากๆ แเศรษฐีที่มีทรัพย์จนนับไม่ได้ในกรุงราชครือในแควนังค้ามาคตเนี่ยนะครับมีต้องห้าสกุลใหญ่ๆเอาขนาดรุ่นลูกหลานเนี่ยทานนชัยเศรษฐีพวกนางวิสาขานี่ยเยอะแล้วไม่ต้องนับถึงรุ่นก่อนแต่ว่าท่านเหล่านี้ในสุดก็เกลียทรัพย์สมบัติลงมาเพื่อสาธารณประโยชน์เพราะในช่วงการแสวงหาก็ปล่อยทุ่เทลงไปเพราะมนุษย์มีศักยภาพไม่เหมือนกันเรก ความสามารถในการแสวงหาทรัพย์บริหารจัดการกเรื่องทรัพย์ที่ไม่ใช่มือธรรมดาธรรมดานะมือพ่อค้ามือการเงินการธนาคารเนะี่ยไม่ใช่มือธรรมดาคนทั่วไปมันทำไม่ได้หรอกมันต้องมีการศึกษามีประสบการณ์แล้วก็มีเงื่อนไของค์ประกอบต่างๆเป็นอานมากเพราะในแง่ของการผลิตเนี่ย จะทรงสอนด้วยธรรมะอีกสามข้อคือจักคูมาวิทโรนิเสสัมปันโนจักคูมาก็คือมีดวงตาที่เห็นกไกลเป็นตาในนะเป็นตาปัญญาแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดในการบริหารการจัดการเรื่องตนั้นในขณะเดียวกันก็นิเสสัมปันโนคือมีคนเป็นที่พึ่งพานักได้ เป็นที่พึ่งในด้านวิชาความรู้เป็นที่พึ่งในด้านการต่างๆเป็นที่พึ่งในเรื่องการเงินเรื่องทุนอะไรต่างๆนี่ก็ต้องอิงอาศัยคนอื่นไม่จช่งานที่ทําทําตามลําพังเพราะรวยยังไงก็รวยกันเพราะว่าพวกเหล่านี้จิตใจเขาดีแล้วในสุดมันจะมาชดใช้ให้แก่สังคมเรียกว่าคืนกําไรให้แก่สังคม มันก็กลายเป็นระบบคำสอนเรื่องทานเราจะเห็นว่าพัฒนาการไปจนถึงสร้างโรงทานนะฮะพวกเศรษฐีพวกประชาทั้งหลายเนี่ยจนถึงสร้างโรงทานเป็นการแปลสภาพทรัพย์สินเงินทองที่ท่านทุ่มเทลงมาด้วยความเพียรพยายามหรือสืบต่อมาจากสกุลหลา ย, ลายชั่วห ล, หลายชั่วคนเนี่ยลงไปให้เป็นประโยชน์ แกชีวิตคือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนก็กลายเป็นพวกฐานบารมีเอาสมบัติติดโลกเป็นสมบัติติดตัวนะฮะพูดง่ายว่าเป็นวิธีการที่จะสอนให้เอาสมบัติติดโลกมาเป็นสมบัติติดตัวเป็นลักษณะที่ติดตามบุคคลนั้นไปเป็นเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไปเพราะในช่วงของการใช้พลังกำลังเนี่ยคือใช้ไปได้สารพัดให้มีกรอบ อย่าให้ผิดเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องศีลคือถ้าเราเห็นองค์ธรรมแลาจะเห็นว่ามันอยู่กลุ่มของศีลสิทธิค่ะผลสรุปว่าเป็นระดับศีลธรรมจัรยาเป็นระดับสังคมโดยทั่วไปเนี่ยใครมีความสามารถอย่างไงจะผิดอะไรจะสร้างอะไรจะทำอะไรก็ระมัดระวังเรื่องอย่าให้ผิด อย่างเวียนีย้มีกลายออกไปถึงกระแสสังคมซึ่งมลภาวะซึ่งสภาพแวดล้อมซึ่งอะไรแต่ไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีการศึกษาสำรวจกันหลายแง่หลายมุมก็นั่นก็คือคงรักษากรอบของการยะถาภะสันโดษยินดีตามกำลังอยู่นั่นเองทีนี้พอได้มาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ายินดีตามที่ได้ ได้มากก็ยินดีเท่ามากได้น้อยก็ยินดีเท่าน้อยแต่ว่าประเด็นสำคัญว่าอย่าไปเดือดร้อนกับการได้มากหรือได้น้อยเพราะตามปกติแล้วมันเป็นยังไงคือมนุษย์เนี่ยมันเป็นธาตุทรัพไปเลยบางทีเป็นธาตุเขาคืออยากได้แล้วไม่ได้อะแล้วเราก็เป็นทุกข์พอได้มากก็ปรากฏว่าเป็นทุกข์อีกไม่มีกรอบ ที่เรียกว่าพอดีเพราะในเรื่องการรับเนี่ยมนุษย์จะมีความรู้สึกอยู่สึกอสองอย่างรู้สึกว่าน้อยไปหรือรู้สึกว่าไม่พอเรียกว่ามีไม่พอต่อการบริหารตนเองครอบครัวให้เป็นสุขเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแต่อีกระดับหนึ่งมันคือคำว่าพอไม่มีใน่สุดก็เดือดร้อน เราดูตัวอย่างง่ายๆว่าบางทีเรานั่งรับประทานอาหารเนี่ยถ้ารู้สึกไม่พอใจไม่ยินดีในอาหารที่วางอยู่ข้างหน้านี่มันจะเกิดโทสะเนีแล้วโทสะบางทีอาจจะลามไปที่คนแล้วบางทีอาจจะกวาดอาหารทิ้งไปเลยก็ลามไปที่อาหารแล้วก็ออกไปหาเรื่องเริงสตงคือเอาสตังไปจ่ายซื้อาหารกินข้างนอก ทีนี้ตรงนี้ถ้าเราทำใจให้สันโดษคือยินดีท่าที่ได้แล้วเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการรับประทานอาหารแล้วก็สำเร็จประโยชน์ได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรรับประทานไปได้โดยปกติธรรมดาธรรมดานี่แล้วก็อิ่มเหมือนกันเพราะมันก็อยู่ที่การทำใจนะแต่ไม่ใช่หยุดอยู่ตรงนั้นมันคนละช่วงกัน ช่วงใช้ความพยายามใช้ลงไปเต็มที่ใตช่วงได้เนี่ยมันมันมีองค์ประกอบเยอะไม่ใช่ว่าเวลาเนี่ยที่ที่บางเรื่องอย่างธุรกิจที่เราตั้งเป้าไว้แต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันส่วนใหญ่มันขาดทุนเป้าหรือตั้งเป้าไว้เกินไปลงทุนไปเท่านั้นได้กำไรกี่เปอร์เซนต์ตั้งเป้าไว้ไกลพอตั้งไกลก็ดิ้นรนเพื่อว่าให้บรรลุเป้าพอไม่บรรลุเป้าก็เกิดทุกข์ มันเป็นจินตนาการแบบพวกแทงหวยนะะ่คิดแบบแทงหวยเฉยๆไอคิดไปแทงหวยแล้วก็คิดว่าถูกพอไม่ถูกก็เกิดทุกข์แต่ทีนี้ถ้าเราทําลงไปเต็มที่เนี่ยสิ่งที่เราได้นั้นอาจจะเกินที่เราคาดหมายอาจจะได้ตามที่เราคาดหมายหรืออาจจะได้สักครึ่งสักกึ่งหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นมาไม่ได้เลยเลยและก็ต้องปรับใจให้อยู่ได้ แห็นไหมเราก็สามารถจะอยู่เป็นสุขได้ด้วยการได้เพียงเล็กน้อยด้วยการได้สักครึ่งสักกึ่งด้วยการได้เกินที่คาดหวังด้วยการได้ตามที่คาดหวังหรือด้วยการไม่ได้เล ย, เยมันก็ยังมีโอกาสยังมีโอกาสรออยู่ข้างหน้า <p> คือไม่ไปทุ่มใจลงไปตั้งร้อยเปอร์เซนตที่จริงมันมันถ้าคิดได้ดีเราจะเห็นว่ามันมียี่ิบ้าเปอร์เซนตคืออย่างละนี่ยี่สิบ้าเปอร์เซน ได้เกินที่คาดหมายยี่สิห้าเปอร์เซ็นตได้ตามที่คาดหมายยี่้าเปอร์เซ็นตได้ครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งก็ยี่บห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไรเลยนะ<ม>ก็ยี่ 25% ้าเปอร์เซ็นต์ก็คิดแบ่งเอาไปฝ่ายละยี่บห้ายี่ห้าก็ทำให้ไม่ฟูเกินไปและไม่แฟบเกินไปเวลาได้ตามเกินตามที่คาดหมายได้ตามที่คาดหมา ย, ามามายก็เกิดผยองลำพอง มีการเฉลิมฉลองกันดี อ, อกดีใจเป็นการใหญ่นั่นแสดงฟูมากไปแต่ในขณะเดียวกันถ้าได้หรือผิดหวังมติทีก็แฟกมากไปข่าตัวตายบางทีก็ไม่ยอมทำงานหมดเรียกว่าสิ้นเนื้อประดาดตัวสานวนตรงนี้สิ้นเนื้อประดาดตัวแล้วผมหมดแล้วหมดหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็มีคนเคยมาพูดอย่างนั้นว่าคุณลองดูดีที่ตัวคุณเนะ่ ตอนเกิดมันตัวไม่ขนาดนี้หรอกแคนี้ตัวคุณใหญ่ขึ้นเนี็ยแล้วความรู้ความสามารถฝีมือต่างๆมันไม่ได้หายไปไหนเงินนั้นมันเกิดขึ้นในช่วงที่คุณความรู้ความสามารถไปถึงขั้นนี้เลยทําไปแต่ตอนเนี้ยความรู้ความสามารถของคุณมันอยู่ในการที่เคยสร้างความสมําเร็จอย่างสูงแล้วเนี่ยเพราะในมือเท้ า, าวิทยาคุณไม่ได้พิ ก, การเลยคุณสร้างกันมาได้ มันไม่ใช่หมดเนื้อหมดตัวมันไม่มีใครหรอกหมดเนื้อหมดตัวแม้แต่คนที่ตายไปแล้วถ้าเรามองกันในแง่ความจริงมันก็ไม่หมดเนื้อหมดตัวมันอาจจะขาดทุนคือบาปเพิ่มขึ้นในการครองชีวิตหรืออาจจะได้กาไรคือบุญเพิ่มขึ้นหรือบางทีก็พอๆกันแล้วเราก็เดินทางไปสังสารวัติได้ก็ด้วยกรรมที่เราก็ททำไว้ อาจจะได้ขาดทุนหรือกำไรหรือพอๆพอกันเนี่ยมันมันมันก็เป็นไปได้ด้วยกันทีนี้ในการบริโภคใช้สอยเมื่อได้มาแล้วเนี่ยพระเจ้าทรงชช้คำว่ายะถาสารุ ป, ปสันโดษคือยินดีตามเหมาะตามควรแก่สถานะแก่ความจำเป็นแก่ความต้องการจริงๆเนี่ยคือกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ย การที่อยู่อาศัยหรือการรับประทานอาหารหรือแม้แต่การรักษาไข้เนี่ยวัตถุประสงค์หลักเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราจะมีแต่วัตถุประสงค์รองมันจริงๆพวกนี้มันเป็นอาหารกายถ้าหากว่าอยู่ในกรอบของความต้องการของร่างกายมันก็ไม่ได้มากอะไรแต่พอดี เ, เอาใจเข้าไปบวกเขาตันหาเข้าไปคุม อยากได้สวยงามประณีตโอ้ยบัรจงเสื้อผ้าบางทีอะไรบางคอนอ่านรือไปมาจบใจเลยเสื้อผ้าเลยชุดเป็นแสนแสนโบชุดแต่งงานชุดนั้นเป็นแสนสองแสนสามแสนแล้ว ก, ก็ถ่ายภาพมาเราก็นึกไม่ออกว่ามันทำอะไรเพราะว่าการนุ่งหมเนี่ยมันเป็นการปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดให้สุภาพเรียบร้อยเป็น เป็นสุภาพชนนะฮะข้าคงคนไม่อยู่ที่แต่งเนื้อแต่งตัวอย่างไรแต่มันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติตนอย่างไงมากกว่าเราก็ให้ความสงคัญกับเรื่องนี้มากเกินไปนั่นก็แสดงว่าขาดยถาสารุ ป, ปรสันโดดคือยินดีต่เหมาะทำควรแล้วก็แนวตรงนี้ถ้าเรานึกถึงสุภาพสิทศสอนหญิงที่สุ น, นทนผู้ท่านกล่าวไว้แล้วก็กระจ่งกันแพร่หลายนะฮะ มีสลึงถึงบรรจุไปครบบาทจ่ายขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยจ่ายน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพีไรเสื้อเป็นมื้อเป็นคราวทั้งขาวหวานเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอด่อดทนทดใจเพราะนี่คือระดับสินธรรมจรญญาทีนี้ถ้าระดับเป็นพระเนี่ยมันก็ต้องมองสองช่วงนะคือสภาพทางสังคมไทยเนี่ยจริงจริงมันเปลี่ยนไป คือเมื่อก่อนเนี่ยพระท่านท่านเรียกว่าเหมือนกับนกที่มีปีกก็บินไปได้วยปีกแบบพระธูดงจริงๆนะฮะไม่ใช่ธูดงแสดงแคว้นโชว์ธูดงจริงๆว่าไม่มีอะไรแล้สมัยโบราณเนี่ยกรดมันก็ไม่มีเพมันเป็นการประพฤติเบาท่านไปไหนมาไหนได้สบายแต่วันนี้มันอยู่ในรูปของสังคมสงเคราะห์พระผู้ใหญ่จะต้องสงเคราะห์ผู้น้อยเพราะต้องมีให้สงเคราะห์ แต่ว่าถ้ารับเพื่อสะสมเนี่ยก็ไม่สมควรแต่ถ้ารับเพื่ออนุเคราะห์คนอื่นก็ตามปกติอย่างที่เล่าฟังเนี่ยว่าพระผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่มันโดนขึ้นลมแรงนะผู้น้อยมาขอให้ช่วยเหลืออะไรเนี่ยปฏิเสธว่าไม่มีเนี่ยไม่ได้มันต้องพยาไม่มีเขาบากหน้ามาช่วยเนี่ยเราก็ต้องช่วยเขาช่วยเขาให้ได้ แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเยอะแต่ก็สรุปว่าให้ยินดีตามกําลังของตัวเองยินดียินดีให้เกินแล้วก็ได้มาอย่างไงก็ปรับใจได้ตามนั้นในส่วนที่เราใช้ก็คือเราใช้ส่วนอื่นจะเก็บไว้เพื่อสงเคราะห์คนอื่นก็ว่ากันไปก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่นะฮะคือาตั้งใจเอาไว้เพื่อจะสงเคราะห์คนอื่นเนี่ยจะลืมเาเวลานี้ในเรื่องมันเยอะนะ จะเอาขนาดว่าพระตายอย่างเดียวเนี่ยนะต้องช่วยกันเถะนะพระมโนภาพลงเนี่ยไม่ลงเงินไปทไหนมันทําุระเพราะงั้นพระก็ต้องช่วยกันคือชาวปนกิจโสท่านแล้วะตายกันมากๆในวัดกระเทือนนะฮะในการที่จะช่วยเหลือในกิจกรรมเหล่านั้นดัง น, นั้นบางทีในเราได้อะไรมาเยอะแต่ว่าเราก็บริโภคตามสมควร ไื้ใช้สอยตามเหมาะตามควรแก่สถานะเช่นยกตัวอย่างว่าไอ้ผ้าเสื้อผ้าอะไรเนะี่ยจิวงจีวรมันประณีตเกินไปอย่างเงี้ยเราเป็นพระผู้น้อยไปแต่งชุดอย่างนั้นรู้สึกยังไงอยู่นะก็เอาไปถวายแก่พระเทระที่เห็นว่าเหมาะควรหรือว่าเอาไปทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์มากกว่านี่คือสรุปว่าไม่คล้องติดไม่บริโภคสิ่งเหล่านั้นด้วยตัณหา แต่ว่าถ้ามีไว้เพื่อสงเคราะห์นั้นก็เป็นความดีเพราะว่าในช่วงหลังเนี่ยถ้าเราดูปฏิปทาของพระอระหันต์อย่างพระอนนท์เองเนะท่านก็เคยรับผ้าเป็นก็เรียกว่าเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนผืนก็มีก็รับในช่วงรับนี่คือฉลองศรัทธาชาวบ้านแล้วเสร็จแล้วก็นำไปแจกจ่ายแก่พระภิกษุสามนเณรในท้องถิ่นต่างๆเอาถวายเป็นการสง ส่วนใดที่สงเคราะ์ชาวบ้านได้ก็เอาไปสงเคราะห์นั่นก็คือแนวสันโดษโดยใจนู้นแนวมันปรุงเบาสันโดษจึงเป็นทรัพย์สันตุถีปรามังทนังนะฮะสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยอดจริงเพราะว่าจิตใจมันจะปรุงเบาสบายทั้งในช่วงการสแสวงหาช่วงในการได้มาช่วงในการบริโภคใช้สอยถ้าเราสงบได้มากเท่าไหรน่นะความสุขก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสงัดจากโลภะนั่นเองทั้งฝั่งทั้งหลายแต่หรวพ่โพธยญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเถึงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบุญในธรรมยมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี